ั้งเนั่งาสบายนะมมือนั่งาสบายจะากายใจของตัวของการเพในเพีนอกไปที่อื่นเหตอยู่ในกายในใจถูกฟังถูกกำหนดกายกำหนดใจของตัวกายใจเั็นทีรวมของดีชั่วต่างๆคนเราโดยส่วนใหญ่ นักอยามองนอก ม, กมองออกไปเท่าไรจิตใจก็ยิ่งวุ่นยิ่งหลงทางธรรมะแผ่นสอนให้น้อมมาภายในเป็นโอปนาหิกธรรมคือน้อมนำเข้ามาดูกายดูใจของตัวดูชั่วก็อยู่ในนี้ไม่มีที่อื่นนรกสวรรค์นิพพานในนี้ไปจากใจใจเท่านั้นเป็นผูจสิ มีคามดีของชั่วเราดูใจของเราขณะนี้ใจของเราไปคิดซึุงเรื่องอะไรเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วอย่างไรควรแก้ไขหรือควรปรุงนี่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านจะ ด, ดูตัวของตัวเองจะดูอยู่ที่ใจอะไรที่มันชั่วมันเสียควรคิดควรรุง ควรหากควรห้ามห้ามเอาไว้อะไรที่ทำจิตทำใจให้สงบให้เยือกเย็นให้ปุกให้สบายาพยายามรักษาเอาไว้คือการดูใจของตัวเป็นการฟังเทศเป็นการฟังธรรมทั้งฟังทั้งทาไปด้วยจิตเมื่อมีขอบเขตมีสติรักษามีปัญญาเน้สอนในทรงออกไปทางนอก อยู่แต่ข้างในจิตนั้นก็จะมีความเบามีความสบายเพราะโดยส่วนใหญ่จิตใจมันไหลออกไปทางนอกปุ่งปรุงไปในอดีตอน า, าคตต่างๆจิติดข้องสิ่งของวัตถุที่มีอยู่นอกตัวจิตจึงชั่วจึงเสาราหมองจิตจึงวุ่นวายหัดข้อง หากเราเลิกคิดทุกสิ่งทุกอย่างมาดูจิตดูกายของตัวทำ ต, ติดข้องสิ่งของใครนอกเลิกละกลับมาสู่กายสู่ใจของตัวแล้วพิจนารณาาจตามเรื่องให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเพื่อขอนตามยึดมั่นสำคัญหมายฝ่ายชายฝ่ายหญิง ว่าคนวาสัตต่างๆด้วยอุบายปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่นี่ที่เจรนาดูให้ปวดถึงในเรื่องของกายว่มีอะไรบ้างที่เราหลงหรือว่าเราว่าเขาผมขนเล็บฟันหนังเนวอเอ็นกระดูกที่มีอยู่ในตัวของเราเขาทราบไหมว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน เป็นหนังเป็นเนื้อเขาไม่ทราบทางนั้นแต่เราไปยึดหมายว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้น ป, นนนนประกอบกันเข้าก็เลยเป็นคาวามหลงกายของตัวเมื่อหลงกายของตัวก็ไปหลงกายของคนอื่นผ่อย่างนั้นผิวว่าอย่างนี้สำคัญไปตามโลกสมมติก็เลยยุ่งใหญ่ ใจที่หุ่มหลงไม่รู้เห็นตามเป็นจริงในเรื่องของตัวก็วเลยหุ่มลหลงเรื่องคนอื่นสัตว์อื่นหลงไปทั่วโลกขอควรตัวเองไปยึดไปถือไปติดไปข้องแต่นั้นการ ท, ทาราาาราําจิตทาใจการภาวนาการชำระจิเลสจึงมีการน้อมเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวที่เรณาอยู่นี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราหากจิตไม่ยึดไม่ถือหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรให้ใจของเรารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นนั่นก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจขัดข้อเสืส่อมหมืดมลอนทการจึงเป็นการชาระจิตใจในตัวให้รู้เห็นกระจัดชัดเจนในเรื่องของกาย แล้วจะไม่ถือว่าหญิงว่าชายว่าเราว่าเขาต่างๆการพิจารณาเรื่องของกายเป็นเรื่องสำคัญเพราะพวกเราท่านติดเรื่องของกายติตใจเบื้องต้นทุกคนจะต้องติดเรื่องของกายก่อนพิจารณากายยังไม่ละเอียดเียังพอจิตใจต้องของ้องตรงติด พิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้าให้คอยใจตามเป็นจริงมันสกโปกกว่าเห็นว่าเป็นสกโปกมันไม่เจี่ยงกว่าเห็นมั้มันไม่เจี่ย ง, ม, ม, ม, ยงมันเป็นทุกข์กว่าเห็นเป็นทุกข์ในจิตในใจจริงจังใจเมื่อเห็นอย่างนั้นจะปล่อยวางไม่ยึดถือเบื่อหน่ายทายกำหนับใจจะเบาใจจะสบายตามนึกคิด นอกเราเคยนึกคิดกันมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยรักษาใจของตัวแต่นั้นจริงบนไว้ยุ่งอย่างนั้นยุ่งอย่างนี้ทั้งทั้งที่ของใทยนอกไม่เคยมายุ่งกับใจเราเลยมิแต่เราเองไปยุ่งกับเขาแต่เราไม่ได้สอนเราถือว่าอันนั้นยุ่งอันนี้ยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงมันยุ่งไปจากใจเป็นเื่อนใหญ่ จึงกำหนดเรื่องของใจเราปล่อยตะละทิ้งอารมณ์ต่างๆเพราะคิดไปปรุงไปก็ไม่ได้อะไรดิบดีมาให้นอกจากใจอุ่นวายเต่าหมองติดห้องต่างๆเมือ่อเรากำหนดใจของเราที่เจรณาใจของเราปล่อยวางละทิ้งสิ่งต่างๆภายนอกใจจะมีความ สว่างสวัยใจจะมีความเบาสบายเดีย๋ยวพี่เจนาอยู่แต่กายแต่ใจของตัวก็ทำคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในกายในใจเท่านั้นจะเป็นสอนอะไรก่อสอนเข้ามาภายในไม่ได้ส่งออกไปภายนอกฟังเราก็ฟังเข้ามาหาใจของเราไม่ต้องส่งออกไปหาผู้แสดงทำบัดฉันจะแสแดงเหตุผลอะไรให้เราฟัง ทำอยู่ในตัวของเราว่าตัวของเราเดี๋ยวนี้ดีชั่วอย่างไรควรจะละจะบําเพ็ญอย่างไรดูที่ใจของตัวใจชั่วก็พยายามละพยายามถอนความชั่วของใจไม่ได้เกิดมาจากอะไรอื่นเกิดขึ้นจากอารมณ์ของตัวอารมณ์ที่เราเคย เคยเห็นเคยได้ยินมาก่อนมาเป็นอารมณ์ของใจเดี่ยวไข้จิตติดขอ้อทางดีทางชั่วต่างๆละถอนไม่ขึ้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตใจจึงลุ่มหลงเต่าหมองเดือดร้อนหากเราทุกคนที่นี้พิจารณาอยู่ในนี้พักพิงออกไปอารมณ์ของใจต่างๆ พิจารณาอยู่ภายในหดือยจะทำใจให้เงียบสงบไม่คิดปรุงอะไรให้ใจพักเพราะแต่เกิดมานอกจากนอนหลับใจไม่เคยพักคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้นังนน่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีไม่มีโอกาสเวลาพักใจจึงไม่มีกำลังเห่อใจไม่มีกำลัง ก็ไม่สามารถที่จะทับไล่ความชั่วเสียต่างๆออกไปจากใจได้่านจึงสอนให้ฝึกหัดปฏิบัติเรื่องของใจเรียกว่าภาวนาการภาวนาทุกคนเคยฝึกอบรมมาพอสมควรแต่ก็ยังไม่ถึงสี่สุดวีมุมตจิตยังจิตยังค่องยังเศ้ายังมองก็ให มันฝึกยื่นไปอย่าไปถือว่าอันนี้เราเคยคิดเคยนึกเคยฝึกอบรมมาจะฝึกอันใหม่ในเป็นอย่างนั้นความจริงจิตมันหลงของเก่าธรรมะองพุทธเจ้าก็อสอนของเก่าไม่มีข้องใหม่อะไรในโลกหากที่นี้พิจารณาดูแล้วลูกเราไม่เกิดมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้ เเกิดมามันก็มีอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็มีอยู่อย่างนี้เสียงก็เหมือนกันไม่เคยขาดจากโลกโลกมันสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสมันมีน่าจะไหนแต่ไรถ้าหากใจของเราไปจิดข้องมันจึงเกิดกิเล่เกิดความดีใจเสียใจไปต่างๆ การที่มีพิจรารณาเรื่องของใจเป็นเรื่องสําคัญหากใจของพวกเราท่นานพิจารณาได้เพามาสงบสบายลงรวมแล้วจะเห็นความสุขอันปเปิดเผยเพราะความสุขของใจนั้นเป็นความสุขที่หาดูที่อื่นไม่ได้นอกจากดูจากใจของตัวเองจะไปดูใจของคนอื่น ไม่เห็นต้องดูจิตใจของตัวเองถึงจะเห็นใจของตัวเป็นใจของตัวรู้ถึงจะละจะถอนเรื่องของกิเลสตัณหาอบรมภาวนาต่อหมายถึงฝึกใจให้สงบให้รวมใจรวมมีพลังมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างถารวมกันได้ มีพลังอย่างได้อย่างไหมเหมือนกันแต่ละเส้นไม่ค่อยเหนียวแต่เมื่อฝั่นเป็นเกลียวเข้าสามารถที่จะผูกวัวปูกควายผูกช้างอยู่ได้หากโยใหญ่ๆรวมกันเข้าฉันใดจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันที่มันไม่รวมนั่นแหละมันไม่มีกำลังที่จะกาจัดป่าเต่าที่เหลือปัญหาจึง ให้มันรวมลงมาสี่ใจจะให้ไปคิดไปปรุงที่อื่นเมื่อใจรวมลงได้ความเบาความสบายของใจที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนจะปรากฏขึ้นในตัวของตัวเองมันเบาอย่างไรมันสบายอย่างไรมันสงบอย่างไรจะเข้าใจในตัวเองไม่ต้องถามคนอื่นเพราะธรรมะเป็นปัจจิตตังเป็นสันพิติโกเห็นเองรู้เอง เฉพาะตัวความเป็นความเห็นของตัวนั่นแหละจะทําให้ตัวเองเชื่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติใจมีความสุขความสบายเลิศไ้เกิดยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะเราเคยผ่านมาตามสุขทางหูทางตาทางจามูกทางลิ้นทางสัมผัส หรืออารมณ์ต่างๆเคยประสบพบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันปัจจุบันเคยพบเคยเห็นกันมาทุกท่านทุกคนแบบความสุขของโลกหรือความสุขของสัมผัสจากสิ่งอื่นเป็นอย่างไรความสุขส่วนนั้นก็ในปฏิเสธสุขสำหรับคนหลง สำหรับคนที่ไม่มีความสุก ข, ของธรรมควรมีความสุก ข, ของธรรมบำเพ็ญภาวนาจิตใจของตัวรวมลงสู่เอกขตาละขอนความยึดถือต่างๆทั่วไปไม่ว่าสิ่งภายนอกไม่ว่ากายของตัวเองไม่ปรากฏว่านั่งว่ายืนว่าอยู่สถานที่ใดไม่ปรากฏอะไรนอกจาก ความเป็นหนึ่งของใจแล้วความเบาความสบายมันเบามากสบายมากสุขมากสุขผิดปกติธรรมดาที่เราเคยผ่านมาจากตาจากหูจากสิ่งภายนอกฉะนั้นเมื่อเห็นเมื่อเป็นจากการกระทาของตนจึงเชื่อเรื่มใสยินดีเต็มใจอยากกระทาอยู่บ่อยๆ อ, อยากจะให้จิตเป็นอย่างนั้น เพาะทจิตเป็นอย่างนั้นไม่ถอนออกมาวันเวลาไม่มีคือไม่ได้ขาดหมายวันเวลาว่าถ้าบาเร็วขนาดไหนใจอยู่อย่างนั้นจะนั่งอยู่กี่วันกี่คืนก็อยู่ได้เพราะมันเรามันสบายมันไม่ยึดไม่ถืออะไรความเป็นในจิตในใจของตัวอย่างนั้นจึงเชื่อมั่นกว่าการปฏิบัติ ด่านธรรมะมีความสุขปเปิดขนาดนี้ดีเด่นกว่าสิ่งทั่วไปจึงเต็มใจหากเพียรพยายามแต่ทำบาเพ็ญอยากเห็นอยากรู้ถ้าหา ก, เ, ากาเป็นอยู่อย่างนี้เสมอไปแล้วมันจะมีความสุขความสบายขนาดไหนนี่เพียงขั้นสมาธิโดยจิตรวมกดถึงจิตถึงใจผูกผือปฏิบัติ อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะทำเกิดศรัทธาเชื่อมัน่นมีความเสียนป้าแข็งอยากจะทำบาเพ็ญเรื่อยๆไปเมือ่อมีความอยากมีความเสียนอยู่ในใจสติ <c oughs> ก็จะต้องมีคุ้มครองรักษาจิตใจที่เราเป็นแบบนั้นมันเป็นขึ้นมาจากอะไร ทำไมมันถึงเป็นไปได้เดี๋ยวนี้จิตใจเกียวข้องนึกคิดเรื่องอะไรจริตใจจึงไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องพิพจารณาโดยปัญญาหาอุบายแนะสอนตัวฝึกอบรมหาเพียรพยายามเรื่อยๆไปแล้วกว่าจะลงจะรวมให้รู้เห็นเด่นประจับแต่จิตรวมมีการถอดถอนเหมือนกันกับเรานอนมีเวลาตื่น แต่นอนไม่มีสตินอนหลับสนิทขนาดไหนแตมีความสุข ก, กว่าความสุขขนาดสัตว์สัตว์มันก็นอนได้แต่จิตใจรวมนี้มีสติมีความสุขจิตแปลกแตกต่างกับเรานอนหลับแต่ก็มีเวลาถอดถอนขึ้นมาเมื่อถอดถอนขึ้นมาที่นี้พิจะะารณาสะดวกสบายจิตใจแก่มใส มีความสุขอยู่ภายในจิตใจเย็นสบายมองเห็นอะไรภายนอกก็เยอนเย็นไปหมดไม่มีข้าศึกศัตรูอะไรพราอใจเราเย็นใจเราสบายทิจาจรณาอะไรก็ง่ายสะดวกเหมือนร่างกายของเราสบายเดินเหมือนไปสถานที่ใดทำอะไรก็พอทำได้สิ่งที่เหลือวิสัย มีจิตใจที่มีความสงบมีความลงรวมมีกำลังภายในว่าท่านนองเดียวกันดังนั้นควรทุกท่านจะฝึกอบรมตัวเพราะเรื่องของจิตมีทุกคนกายมีทุกคนวิเลตมีทุกคนธรรมะมีทุกคนจึงเป็นเสื่องสำระไม่ใช่ว่ามีแต่พระพุทธเจ้าหรือมีแต่พระแต่เนนเท่านั้นความจริงพวกเราท่าน มันมีเหมือนกันหมดธาเนนก็ออกมาจากคาราวาไม่ใช่ออกมาจากที่อื่นเกิดขึ้นมาจากคาราวาเที่ยวกอดจึงจะมาเป็นธาเนนด้คาร า, าวาตัวมีอรรมัรทมไม่มีอะไรจิตแปกแตกต่างกันจิตแต่เทศเท่านั้นสมมติเท่านั้นกว่าเป็นธาเป็นเนนเพราะธาเนนไม่มีการงานด้านอื่น บวชมากว่าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษากายใจของตัวมีโอกาสเวลาที่จะปฏิบัติได้มากต่การเป็นฆราวาสพอเป็นฆราวาสมีการงานหนาจหีาหลายอย่างนอกจากฆราวาสที่ปล่อยทิ้งทั้ทงโลกขามาอาศัยอาจทำจริงจังถึงจะมีโอกาสเวลา พอจะพิจรารณาได้สม่ำเสมอไปดังนั้นเขตของพ้ะของเนร่านจึงว่า เ, เขตกระเสดเพราะเขตนี้ไม่มีการก่อเกี่ยวเรื่องของโลกนุ่มหม่มหรือขบฉันพักอาศัยไปเป็นวันวันไม่ได้มีความมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้นุนน่มหม่ม จะถือว่าสวยหวาน ง, งามเก่ออวดชาวโลกก่ผิดทางศีลของท่านการกดขันก่อกระท่งชีวิตไปเป็นวันวันในส่องการรสชา็จ อ, อร่อยอะไรหายใจไปจิตของในรถก็เป็นเรื่องผิดขันระวังรักษาจิตของท่านอยู่ทุกระยะทุกเวลามีโอกาสภาวนาได้มาก เพราะไม่มีการงานหยุ่มเยิงเศรษฐกิจพระช่างเนนเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมะเป็นอันเดียวกั น, ไ ม, นไม่ว่าพระว่าเนนไม่ว่าพระเาว่าหญิงชายที่เดือดตัวเดียวกันปัญหาตัวเดียวกันถ้าไม่สำลักสาวสารถึงจะบวชมาเป็นพระเป็นเนนอยู่กี่พันษากี่เดือนกี่ปีธรรมดีก็ไม่เกิดขึ้น แต่นั้นการปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นการชำระสายสานจิตใจของตัวการชำระสายสางจิตใจเป็นทางที่จะนำความสุขมาให้แก่ตัวเองอ่านจึงห่าจิตเป็นเรื่องที่ฝึกได้จิตตั้งทันตั้งสุขาวังหังจิตฝึกดีแล้วนำสุขมาให้สุขอย่างไร เราที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกก็ไม่ทราบเหมือ น, นอาหารที่เราไม่เคยรับทานว่ามันรสชาติเป็นอย่างไรก็มีแต่ซุ้มดาเอาว่ามันจะนี่รสอย่างนั้นรสอย่างนี้แต่ความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยรับทานขบขันอาหารส่วนนั้นดังนั้น การปฏิบัติด้านจิตใจเหมือนการทานอาหารโดยตัวเองรถเป็นอย่างไรความสุขภายในจะทราบจากการปฏิบัติของตัวคนที่รู้เห็นอาจทำเป็นจริงในใจคนนั้นมีความสุขสุขมากแม้จะมีลาบยศภายนอกมีเขาของภายนอก มากขนาดไหนก็ยังไม่เทียบเท่ากับความสุขของใจเกิดจากสมาสิเกิดจากภาวนาเหตุนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นกษัตริย์หรือหลายองค์ที่เคยเป็นกษัตริย์พวกที่เป็นเศรษฐีก็เคยมีในสมัยพุทธการที่ออกบวชไม่ยอมสึกเพราะเหตุใดเพราะความสุขเกิดจากอัตถธรรม เป็นความสุขล้ำค่าเป็นความสุขขี่ดีเด่นเป็นความสุขทีดประเสริฐความสุขที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมีเข้าของเป็นอย่างไรก็เคยผ่านมาเข้าท่านเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีนี่หมายถึงผู้ที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีผู้ที่ไม่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีก็เหมือนกันเมื่อไปพบประสบเข้าจะพอใจในความสุข ที่ตัวเห็นตัวเปลี่ยนความถูกส่วนนี้จะยิบยกมาให้ดูเหมือนวัตถุภายนอกไม่ได้จะต้องอาศัยการฝึกอบรมใจของตัวพอใจฝึกได้ลองลองคิดดูผมพอรู้วหวใจของเรานี้มันไหลไปได้ทั้งสายดีสายชั่วทำได้ในด้านสงบและ ุงงต่างๆดีได้ชั่วได้ตามอารมณ์สัญญาสี่มาเกี่ยวข้องจิตใจของตูวคิดดูคมดีที่เราเคยทำเรามีความดีใจเกิดเพลินในความดีสี่เราเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้ความชั่ว อารมณ์ต่างๆที่เขาเคยด่าเคยว่าเคยขากเคยตีเราต่างๆเราคิดไปทั้งสิ่งเหล่านั้นผ่านไปเป็นเวลาระยะหลายเดือนหลายปีจิตใจของเราก็ยังเศ้าหมองเดือดร้อนคุณเื่องต่างๆมีอารมณ์เป็นของสาคัญที่มากโยกคล้องกับใจแต่นั้นผู้ที่มีสติมีธรรมพันจึงกั่น กองอารมณ์ของทักอารมณ์อันใดที่จะยั่วยุจิตใจให้ชั่วให้เสีย่านพยายามผักดันอารมณ์นั้นให้ตกไปรักษาใจอยู่ในอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของธรรมนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยของใครชอบอะไรเหมือนอาหารมีมากเราอยากจะทานอะไรก็ซื้อเอาหาเอาอาหารอ น, นั้นมาทาน ไม่ต้องไปทานให้หมดในคาตาทานของเขาทานอันใดอันหนึ่งเท่านั้นก็สามารถที่จะอิ่มนนำสำาราญได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีมากเราเลือกหาธรรมะส่วนใดที่ใจเราชอบมาภาวนาจะเป็นพุทธโธธรรมโมสังโฆหรืออรหังหรือจะ เสียสารเมาอะไรได้ทางนั้นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาไม่ผิดเพราะจะให้จิตของเราได้รับความรู้ความฉลาดลงรวมเบาสบายละถอนกิเลสตัณหาเป็นอันถูกไม่มีผิดข่าวจิตเป็นอย่างนั้นจะภาวนาอะไรได้ทางนั้นขอสําคัญให้จิตละถอนให้จิตรู้ให้จิตเห็นให้จิต รวมเป็นอันถูกต้องเพราะคําสอนของพุทธเจ้าไม่ผูกค่ะเลยต้องพิจารณาอันนี้ส่งบริกรรมอันนี้บริกรรมอันอื่นหรือภาวนาอันอื่นผิดพระพุทธเจ้าเลยกล่าวไว้ไม่ได้ลูกขาดอย่างนั้นบางท่านบางคนขอชอบบริกรรมพุทโธพุทโธทําจิตตองเตนให้อยู่ในพุทโธ ให้ฟุ่มเฟจิตนึกออกไปเรื่องนอกให้สัมผัสอยู่กับคำบิกรรมของตนจิตกลงรวมได้ตั้างคนกดชอบเจสาเจสาอยู่นั้นไม่ก็ถทุของคนนั้นเพราะคนนั้นจิตใจลงรวมได้ถ้ารวงรวมไม่ได้จะแบกคาพีทั้งคาพียกถ้าใจปีดกทั้งหมด มาบริกรรมมันก็ไม่ถูกมันถูกทีรงรวมมันถูกทีเลับความเบาความสบายถูกจีละทีถอนจิตใจไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆรู้เห็นเด่นไปจับในตัวเองนี่เป็นอันถูกฉะนั้นเราทุกคน จึงเป็นก่อนของทรนะเพราะเกิดกันทางนั้นเพราะมีกายมีใจพอพิจารณาได้เพราะพรุทธเจ้าก่อนกำหนดลมหายใจก่อนอื่นที่จะตัดสู้ไมาได้ไปหาดูท่องฟ้าอากาศที่ไหนกำหนดลมหายใจของท่านเท่านั้นท่านก็รวมรวมได้นอกกนั้นองค์อื่นๆก็มีที่กำหนดจิตแปแตกต่างกันไปแต่นั้นทุกอย่าง จึงสมบูรณ์อยู่ในตัวของพวกเราท่านไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องขอให้ลงมือกระเพิดปฏิบัติเพราะกิเลสมีอยู่ในตัวการกำรารกิเลสก็จะกำรารกิเลสออกจากตัวของเราออกจากกายจากใจของเรากิเลสหมดเป็นอย่างไรเราจะทราบได้เหมือนกันกันกบเราหิวมานานความอิ่มเป็นอย่างไรเมื่อเราทาน เข้าไปเราจะทราบเองการปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้เองเห็นเองอย่างนั้นไม่ต้องไปถามท่านคนอื่นขอให้ลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนจริงรู้ทำของจริงไม่ใช่รู้เล่นเล่นรู้หลงหลงอย่างพวกเราพวกเราเคยรู้เคยจำมาอะไรต่ออะไรเคยจามาได้เคยเรียน เคยศึกษาแต่ก็ปล้อมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตานนี้ยังปล้อมอยู่เคยศึกษาธรรมะธรรมโมมาทุกสิ่งทุกอย่างในหลักธรรมุติเคยศึกษาศีนสมาธิปัญญาวิชาริมุตเคยศึกษามาทางนั้นจำได้พูดได้แต่ใจเป็นอย่างไร ใจก็ยังมีกิเลสตัณหามานาทิศอย่างเดิมไม่มีอะไรผิดแปลกแต่ต่างกับที่ยังไมได้ศึกษานี่คือไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงในตัวถ้าหากเป็นจริงในตัวไม่ต้องไปเรียนไปศึกษาภายนอกดูภายในมันเป็นอย่างไรเข้าใจธรรมะมันอยู่ภายในกิเลสมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอก ดังนั้นการพิจารณากายใจของตัวจึงเป็นเป้าหมายสําคัญที่จ ะ, ะําระจิตสังใจของตัวละชั่วบําเพ็ญดีรู้เห็นเด่นขึ้นจากการที่นี้พิจารณาการการทําบําเพ็ญในเสวามรขผลนิพพานอยู่สถานที่ใดอยู่ที่ใจของบุคคลแต่เหตุใด เรามีใจซึ่งไม่รู้ไม่เห็นเพราะเพราะเราหายังไม่เจอพิจารณายังไม่ถึงเหมือนกันกับมะ้ามต้นไม้แก่เราไปลูกทำแต่เหียบแต่ตอที่มันไม่เห็นแก่มันีนการพิจิตรพิจารณาอาจทาไปติดตาราเสียไปติดรื่องอื่นเสียแต่ตัวจริงของธรรม เราก็เลยไม่เห็นคอยังไม่พิจารณาถึงแก่นของธรรมธรรมมันอยู่ในอยู่ในใจของเรานี่แหละหากที่นี่พิจารณาถูกเรื่องของธรรมแล้วทํานั่นแหละจะคุ้มครองรักษาให้เรามีความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาถึงร่างกายจะแตกหักคุกคังไปอย่างไรใจนั้นก็ดจะมีความสุขความสบายไม่เปลี่ยนไปตามร่างกายภายนอก ขันจึงไม่มีการบันไหวไม่มีการเอียงเอียงในตามเรื่องของวัตถุเพราะฐานทิจเจรารอบทั่วสิ่งที่สุกเหนือวัตถุมีอยู่ในตัวเข้าใจเรื่องเหล่านี้จะต้องปฏิบัติ้วยตัวเองซึงจะรู้จะเห็นไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะเป็นขึ้นเห็นขึ้น เท่านั้นฟังเพียงแต่เป็นทางเดินของจิตจะควรคิดอย่างไรจะควรทําอย่างไรต่อไปแล้วการฝึกการทําในตัวนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งจําคําของพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เอาไว้ว่าการฝึกจิตจะทําอย่างไรจิตจึงจะสงบสบายได้ท่านก็แน่สอนให้ว่าอย่าคิดปรุงไปอย่างอื่น ถ้าหาจิตใจชอบติดในคำบริกรรม่าให้บริกรรมเข้าไปหายใจอยู่กับคำบริกรรมเมื่อใดใจยังบริกรรมได้ยังไม่ลงรวมลาให้บริกรรมอยู่นั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนั้นอารมณ์ตัญญาผ่านมาเราไม่จิตตามเราตั้งหน้าบริกรรมเลื่อยไปให้จิตใจปุงไปภายนอกกลร่มได้ถูกกาหนดลมก็เหมือนกันกาหนดอยู่นั้น เพราะลมมันมันในใชเฉลี่ยมันเป็ น, นปเหล่งอของทรรมบริกรมหรือกำหนดอยู่ อ, อ, อย่างนั้นใจมันก็ลงได้รวมได้จะเห็นจะเป็นจากตัวเองมีการสร้างเผื่อจะนำไปไประ่อพืชปฏิบัติกําจัดความลุ่มหลงของใจให้ใจได้รับความสุขความสงบภายใน ความสุขความสงบเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปใว่าใครทั้งหมดต้องการแต่เขาเองยังไม่เห็นความสุกความสงบเขาจึงวิ่งวุ่นหาอันนั้นหาอันนี้เพื่อจะนํามาปรุงใจให้รับความสุขความสบายแต่ได้อะไรมาก็ผิดหวังเพราะจริ่งนั้นนั้น ไม่คงเส้นคงวาให้จะต้องมีการแปกปวนแตกสลายไปตามวันเวลาหรือตามหน้าขีของเขาไม่เหมือนธรรมะภายในใจธรรมะภายในใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นหากใครก็เพืตอปฏิบัติได้ถึงขั้นยิงจังธรรมะนั้นเป็นอาการโกไม่มีการไม่มีเวลาจะคงเส้นคงวาอยู่ตั้งแต่วันรู้ จนตลอดวันตายตายไปแล้วก็คงดูอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะตายไปตามสมมติของโลกเลยได้รับความสุขความสบายตลอดการตลอดเวลาจะว่าพระนิพพานมีทีไหนใจบอดีสุดหมดสงสัยไม่มีอะไรในโลกที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อใจของท่าน รู้เด่นเห็นชัดอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของสมาชิสมาบัติไม่ใช่เรื่องอะไรอื่นนอกจากความบริสุทธิ์เท่านั้นท่านไปจากในตัวของท่านเดีวจะไปถามหานิพานที่ไหนจะอยากอะไรอีกพอความเป็นความเห็นไปจากอยู่ในตัวแล้วอยากกว่คือยังไม่อิ่มนั่นเองหาอยู่กว่คือยังไม่เห็นนั่นเอง เมื่อท่านเห็นท่านเป็นอย่างนั้นจึงหมดอยากไม่มีปัญหาอะไรภายในใจแล้วหมดอยากมันเบามันสบายขนาดไหนเยังแจกของอยาบอยากยงเรื่องของตายทามันอยากมันหิวมันเป็นอย่างไรเราก็ทราบได้ว่ามันไม่สบายหมาว่าอยากนอนอยากอาหารอยากอะไรมันเกิด อ, อยากขึ้นมันไม่สบาย ถ้ามันอิ่มมันพอมันสบายมันหมดอยากมีความอยากของใจก็พอคิดนึกได้ว่ามันให้ทุกข์ความอยากของใจกทําทำนองเดียวกันเมื่อมันหมดอยากมันจะสุขจะสบายขนาดไหนลองฝึกอบรมใจของตัวดูเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ไม่มีปัญหาธรรมะเป็นเรื่องแก่ตัว แก่ความชั่วความหลงแก่ปัญหาทั่วไปหากระพึ่ปฏิบัติแล้วผูเห็นเด่นในตัวหมดความกัวงวลสงสัยหมดอะไรในโลกอยากอยู่ก็ไม่ว่าอยากตายก็ไม่ว่าหมดอยากเลยมีความสุขเหนือโลกจิตมันดับสนิทเดื่องของกิเลสตันหา มันมีความสุขความสบายอย่างนั้นแต่นั้นขอทุกท่านจงมั่นฝึอกอบรมตัวของตัวเองเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจกาหนดลงไปแล้วปล่อยให้พุ้งให้ปุ้ ง, งออกนอกแล้วจิตเมื่อถูกสติรักษาถูกปัญญาสอนอย่างนั้นจะมีวันสงบมีวันเบามีวันสบาย ความสุขของทําเป็นอย่างไรก็จะมาจากในใจของตัวเองไม่ต้องสงสัยการอธิบายธรรมะจะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาพอที่จะเปียงแค่นี้